เจริญพรท่านผู้มีเจเมตตากรุณาใจบุญใจคุศล ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14ส่ิงหาคมพุทธศักราช5 5 3เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาประพฤติมาปฏิบัติ มาบางเพ็ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดูแลรักษาจิตใจของท่านทั้งหลายให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความเศร้าหมองความวุ่นวายต่างๆเพราะการดูแลรักษาใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่สุดสำคัญกว่าการดูแลรักษาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เขามีขอบมีเขตเราไม่สามารถที่จะรักษาเขาไปได้ตลอดเราคือเราจะไม่ได้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ เป็นอยู่สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปทั้งหมดเรานี้ก็คือใจนี้เองใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่หมดไม่สิ้นมีอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีนั้นเช่นร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง กิจการต่างๆบริษัทการค้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่สักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปต่อให้เราดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งการเสื่อม การจากไปของเขาได้แต่ใจของเรานี้จะไม่มีวันเสือ่อมจะไม่มีวันจากเราไปจะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขหรือความทุกข์กับเราไปตลอดขึ้นอยู่ที่ว่าเราฉลาดหรือเราไม่ฉลาดถ้าเราฉลาดเราก็จะรู้จักวิธีรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ ให้มีแต่ความสุขตลอดเวลาถ้าเราไม่ฉลาดเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คือเรื่องของใจของเราใจของเราต้องมีความฉลาดถึงจะสร้างความสุขให้กับใจของเราได้และความฉลาดนี้ก็ต้องมาจากคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าเท่านั้น เพราะคำสอนของผู้อื่นนี้ไม่สามารถที่จะรักษาใจให้อยู่อย่างสบายไม่มีความทุกข์ได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถทำได้เช่น ว, วิชาความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามระดับปัญญาตรีโทเอก ความรู้หแบบนี้ไม่สามารถที่จะมารักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายได้ไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเรามีแต่ความสุขไปตลอดได้ดังนั้นคนที่มีความรู้ทางโลกไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามก็ยังมีความทุกข์ความเศร้าหมองความ วุวายใจอยู่เพราะความรู้ทางโลกนั้นเป็นความรู้แบบความรู้ท่วงหัวเอาตัวไม่รอดคนที่เป็นด็อกเตอร์ก็ติดคุกได้ฆ่าตัวตายได้ตกละครําบากได้เป็นฆาตกรได้โกงได้เพราะขาดความรู้ทางพระพุทธศาสนา ถ้ามีความรู้ทางพระพุทธศาสนาแล้วจะปลอดภัยจากภัยต่างๆจากทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทำของตนเองภัยที่เกิดจากการกระทำของผู้อื่นนี้เป็นเรื่องสุดวิสัยเราห้ามไม่ได้เป็นเหมือนพายุเป็นเหมือนภูเขาไฟระเบิดเป็นเหมือนแผ่นดินถล่มเป็นเรื่อง ที่อยู่สุดวิสัยแต่ภัยที่อยู่ในวิสัยของเรานี้เราสามารถป้องกันได้คือภัยที่เกิดจากการกระทาบาปของเรานั่นเองเวลาเราทำบาปแล้วเราก็จะต้องมีผลที่จะเกิดตามมาทั้งในใจและทั้งภายนอกใจในใจของเราก็จะมีความทุกข์ ความวิตกกังวลความหวาดกลัวแต่ภายนอกก็จะถูกผู้อื่นเขามาทำร้ายได้เพราะเราไปทำร้ายเขาก่อนผู้อื่นเขาเมื่อเขาถูกทำร้าย <c oughs> ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่เขาต้องตอบโต้ตามอำนาจของความโกรธความแค้นความอาฆาตพยาบาท แต่ถ้าเราไม่ได้ไปทำให้ผู้เขาเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาทำความเดือดร้อนให้กับเรานี่เป็นส่วนที่เราสามารถแก้ได้ป้องกันได้ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของเราเราจึงต้องเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้วปฏิบัติตาม แล้วจะทำให้ใจของเรานั้นไม่ว้าวุ่นขุ่นบัวไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือความสำคัญของพระพุทธศาสนาการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความฉลาดให้กับเรานั่นเอง ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะรู้จักวิธีประพฤติรู้จักวิธีปฏิบัติรู้จักวิธีดำเนินชีวิตของเราให้ไปในทางที่ชอบที่สุขที่เจริญดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราทำอยู่สามส่วนด้วยกันคือให้เราทำความดี แล้วก็ให้เราตัดรือละความไม่ให้ทำบาปทั้งหลายสาให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อย่าไปหลงยึดติดอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีเพราะจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจนี่คือนี่คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยรวมมีอยู่สข้อด้วยกัน<_ <EN> _>ข้อที่หนึ่งให้เราทําความดีความดีนี้แปลว่าการกะระทําบันใดที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษกับเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับเราและกับผู้อื่นก็ดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทําความดี เช่นวันนี้ญาตโยมก็มาทําความดีนํากับข้าวกับปลาของข้าวของหวานเครื่องใช้ไม่สอยเงินทองมาถวายให้กับพระให้กับวัดนี่เป็นการกระทําความดีเพราะมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนี่คือตัวอย่างของการทําความดี ซึ่งมีอยู่ในหลายรูปแบบการมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณก็เป็นการทำความดีเวลาผู้มีพระคุณทำอะไรให้กับเราเรามีโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณเราก็ควรที่จะทดแทนและเราไม่ควรที่จะไปทำร้ายผู้ที่มีพระคุณแก่เรา การทำร้ายนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทุบตีกันกิริยา<ม>อาการต่างๆก็สามารถทำร้ายจิตใจของผู้ที่มีพระคุณของเราได้เช่นเราไม่ให้ความเคารพหรือเราพูดจาไม่สุภาพอย่างนี้ก็เป็นการทำร้ายผู้มีพระคุณได้เช่นพ่อแม่ของเรามีพระคุณกับเรามาก เราควรที่จะมีสติเสมอเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าพ่อแม่เวลาจะพูดจะทำอะไรนี้ต้องคิดให้ดีก่อนอย่าปล่อยออกไปตามาอารมณ์เพราะจะทำให้ผู้มีพระคุณ น, นั้นต้องเสียใจได้เวลาท่านพูดอะไรสอนเราเราอาจจะไม่ชอบเพราะมันขัดกับกิเลส ข, ของเรา เราไม่ควรที่จะตอบโต้ไม่ควรที่จะเถียงขอให้เราฟังเหมือนกับเราฟังพระเทศพ่อพ่อแม่ก็เป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆนี่เองคำพูดของพ่อแม่ที่พูดกับลูกนี้มีความปรารถนาดีไม่มีความปรารถนาร้ายกับลูกเลยเวลาพ่อแม่เห็นลูกทำอะไรที่จะเป็นภัยต่อลูกจะเป็นโทษ จะนำความทุกข์ความเสื่อมเสียมาให้แกบลูกก็เป็นธรรมดาที่พ่อแม่จะต้องเืินต้องบอกต้องสอนให้รู้ไว้ว่ากำลังไปในทางที่ไม่ชอบเวลาที่ได้ยินได้ฟังก็อย่าไปโกรธพ่อโกรธแม่ควรที่จะยกมือไหว้ควรที่จะสำนึกบุญคุณของพ่อของแม่ ที่มีความห่วงใหญ่ต่อเราส่วนเราจะนำเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่เป็นการไปทำให้ท่านต้องเจ็บช้ำน้ำใจ <c oughs> เราตงหากที่จะต้องเป็นผู้รับโทษของการกระทำของเราถ้าเราน้อมรับคำสอนของพ่อของแม่ไว้ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำความดีเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่ถ้าปฏิบัติตามได้ก็ยิ่งดีใหญ่ถ้าปฏิบัติตามไม่ได้ก็ถือว่าเรายังมีกรรมอยู่ก็แล้วกันยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยังมืดบอดอยู่ยังถูกความหลงความโลภความโกรธครอบงาจิตใจอยู่ แต่ถ้าคำสอนของพ่อของแม่นี้ไม่ถูกต้องไม่ตามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้เช่นถ้าท่านสอนให้เราโกให้เราโกหกเพื่อเราจะได้ก้าวหน้าเพื่อการค้าของเราจะได้ขายดิบขายดีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเชื่อฟัง หรือท่านบอกว่าไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปทำบุญให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ได้อะไรเสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเชื่อแสดงว่าท่านยังโง่อยู่ท่านยังไม่ฉลาดแต่เราก็ไม่ต้องไปเถียงไปตอบโต้ปล่อยให้ท่านพูดไปตามความสบายใจของท่าน ส่วนเรานี่เราก่อนที่จะทำอะไรตามที่ท่านพูดหรือไม่นั้นเราก็ควรที่จะพิจารณาให้ดีก่อนถ้าเรามีความรู้ทางพระพุทธศาสนามากเราก็จะรู้ว่าถูกหรือไม่ควรหรือไม่แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็อาจจะทำตามท่านก็ได้ถ้าเราเป็นคนชอบกินเหล้าอยู่แล้ว แล้วท่านส่งเสริมให้เรากินเหล้าอย่างนี้เราก็จะชอบเราก็จะกินถ้าเราชอบเที่ยวแล้วท่านส่งเสริมให้เราไปเที่ยวเราเราชอบเที่ยวเราก็จะไปเที่ยวแต่มันเป็นการเชื่อฟังในทางที่ผิดในทางที่จะพาให้เราไปสู่ความเสื่อมเสียพาให้เราไปสู่ความทุกข์ต่อไปดังนั้นการมีความกระตัยู หรือการมีความเชื่อฟังในครูบาอาจารย์ในพ่อแม่นั้นก็ต้องมีการพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนว่าสิ่งที่ท่านสอนให้เราทำนั้นเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์หรืออย่างไรเช่นในสมัยพระพุทธการก็มีองคุลิมาน ที่มีความเคารพในอาจารย์ของท่านอาจารย์ท่านสอนว่าถ้าอยากจะบรรลุธรรมก็ต้องไปฆ่าเอานิ้วคนมาหนึ่งฆ่าคนหนึ่งพันคนองคุลิมาณก็เลยต้องไปฆ่าคนถึง999คนพอมาถึงคนที่หนึ่งรหนึ่งพก็เป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่เอง ก็พยายามที่จะไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิฤทธิ์สั่งสอนไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์เพื่อหนีความตายแต่ใช้อิทธิฤทธิ์นี้เพื่อสั่งสอนองคุลิมานทำให้องคุลิมานวิ่งไล่ตามเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันวิ่งจนเหนื่อยจนกระทั่งหอบจึงได้ตราบทูล ตอพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระองค์หยุดวิ่งหยุดวิ่งหนีพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบไปว่าเราไม่ได้วิ่งเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดพอพูดอย่างนี้ก็เลยเกิดความปิศนาทําขึ้นมาในใจก็ถามว่าทําไมไม่ทําไมว่าพระองค์ว่าหยุดก็ใเมื่อข้าพเจ้าพยายามวิ่งตามเท่าไหร่ ก็วิ่งไม่ทันพระมุตตเจา้าก็ทรงตรัส ต, ตอบว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่อยุ่นะนะนะพอองคุณิมานได้ฟังอย่างนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาทันทีรู้ว่าการดำเนินของตนเพื่อให้บรรลุนั้นไม่ได้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง การที่จะบรรลุนี้ต้องตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆแม้แต่ความอยากจะบรรลุก็ต้องไม่มีอยู่ในใจเพราะถ้ามีความอยากที่จะบรรลุแล้วก็จะเป็นอุปสรรคแต่ความอยากนี้อยากบรรลุนี้ดีแต่ไม่ควรที่จะเอามาเป็นอุปสรรคควรจะเป็นเหตุให้เราทำเหตุที่จะทำให้เราบรรลุ เช่นถ้าเราอยากจะบรรลุเราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทั้งหมดแล้วก็ออกบวชถือศีลแล้วก็จเจริญภาวนาอย่างนี้ถึงจะบรรลุได้แต่ความอยากบรรลุเฉยๆนี้ไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เราบรรลุได้และจะเป็นอุปสรรคได้เช่นพระอนนท์นี้ท่านก็อยากจะบรรลุ พระพุทธเจ้าได้ทรงทํานายไว้ว่าพยากรณ์ไว้ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จตับขันตระลนิพพานไปแล้วภายในสามเดือนนี้พระอานุนก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พระอนุนก็มีความดี อ, อกดีใจที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ก็พยายามเล่นความเพียรปฏิบัติอย่างเต็มที่ แต่มาถึงวันสุดท้ายของในเวลาสามเดือนก็ยังไม่บรรลุอยู่นั่นก็ยังพยายามปฏิบัติอยู่ไม่ท้อถอยเดินจนกงกรมนั่งสมาธิแต่ใจก็พะวักพะวนอยู่กับคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ทํานายว่าเราพยากรณ์ว่าเราจะต้องบรรลุในคืนนี้อย่างแน่นอนแต่นี่มันก็ใกล้สว่างแล้วทําไมเรายังไม่บรรลุสักที ก็คิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆขณะที่เดินจงกรมนั่งสมาธิใจก็เลยไม่เป็นปัจจุบันใจเลยไม่ได้ปล่อยวางความอยากที่จะบรรลุมัแต่คิดอยากจะบรรลุอยู่นั่นก็เลยไม่ได้บรรลุแต่พอใกล้จะสว่างก็เลยเห็นว่าหมดโอกาสเสียลแล้วเรานี้คงจะไม่ได้บรรลุอย่างแน่นอนเพราะนี้ก็เกือบจะสว่างก็เลยหยุดภาวนาหยุดเดินจงกรม เข้าที่พักเพื่อที่จะพักในขณะที่จะเอนลงไปยังไม่ทันเอนถึงพื้นท่านก็บรรลุทันทีเพราะตอนนั้นท่านปล่อยวางความอยากที่จะบรรลุไปทำใจของท่านให้ว่างปราศจากความอยากต่างๆในขณะนั้นจิตของท่านก็บรรลุพ่านผ่านได้นี่คือเรื่องของการฟังคำสั่งสอนของผู้อื่น เราฟังแล้วเราต้องรู้จักเียกแยะว่าถูกหรือผิดเป็นคุณหรือเป็นโทษและเมื่อนามามาปฏิบัติเราก็ต้องมีใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติอย่าไปคิดถึงคำพยากรณ์คิดถึงคำสอนให้เอาสิ่งที่ท่านสอนนี้มาเจริญมาขยายความเช่นถ้าท่านสอนเห้เราพิจารณาอาการสาสอง เราก็พิจารณาอาการ32สองไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ท่านพูดว่าทำแล้วจะได้อะไรอย่างไรขอให้เราพิจารณาไปถ้าพิจารณาอาการ32ได้แล้วถ้าเห็นอาการ32อยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถกำจัดการมราคะได้คือความยินดีในการเสกกลาง เพราะจะเห็นความไม่สวยไม่งามเห็นสิ่งสโปรกที่มีอยู่ในร่างกายเพียงแต่ว่าถูกหนังนี้หุ้มห่อเอาไว้เท่านั้นเองแต่หนังนี้ไม่สามารถปิดกั้นปัญญาได้ปัญญาก็คือความรู้ที่เราเจริญอยู่เรื่อยๆคืออาการ32เี่เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง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 น้ำมูลก็คือน้ำปัสสาวะนี่คืออาการ32ที่มีอยู่ในร่างกายของคนทุกคนถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นทั้ง32อาการเวลาเห็นไครนี้จะไม่เห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้ น, น, น, นแต่จะเห็นทุกสัตว์ทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายนี้ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วต่อให้ มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาหรือสวยงามขนาดไหนก็ตามเป็นดาราภาพยนตร์หรือเป็นนางนางามจักราวาล mm hmm. ก็จะไม่เกิดความใคร้ความอยากที่จะร่วมหลับนอนด้วย mm hmm. เพราะจะเห็นอาการอื่นๆที่มีอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง mm hmm. นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเรา จเจริญพิจารณาอาการ32จนสามารถที่จะเห็นได้แม้ในขณะที่หลับตามหลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนี่แสดงว่าเป็นปัญญาสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่ตาเนื้อไม่สามารถมองเห็นได้แต่ตาใจเห็นได้ด้วยการพร่ำสอนใจอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาอาการ32ออยู่ตลอดเวลา เดินยืนนั่งนอนไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็พิจารณาอาการสาสุสองอยู่ไปตอนต้นก็ท่องชื่อไปก่อนก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูดต่อไปก็นึกภาพผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรเนื้อเป็นอย่างไรนึกภาพไปหัวใจเป็นอย่างไรปอดเป็นอย่างไรตับเป็นอย่างไร นึกภาพไปนึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะติดตาติดใจพอมันติดตาติดใจแล้วทีนี้เห็นใครทีไรก็จะเห็นอาการทั้ง3ามสนี้จะไม่เห็นเพียงแต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติเราต้องเจริญที่เหตุอย่าไปรอที่ผล อย่าไปคิดว่าไอ้พิจารณามาต้องนานแล้วทำไมยังไม่หายยังยังมีความใคร่อยู่ยังมีการมราคาอยู่ยังอยากจะเสพกลางอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่พิจารณารำวมวแต่มานั่งคิดว่าเมื่อไหร่จะได้สักทีเมื่อไหร่จะได้สักทีเช่นเดียวกับเวลาที่นั่งทำสมาธิเพื่อทำให้จิตใจสงบก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราบริกรรมพุโทโธเราก็ต้องบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปนั่งคาดคะเนว่าเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะนิ่งสักทีอย่างนี้ก็จะไม่มีทางที่จะสงบหรือจะนิ่งได้ต้องอยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นถ้าคิดแล้วมันจะไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ภาวนาเราไม่ได้สร้างเหตุที่จะทำให้มันเกิด เหตุที่จะทําให้มันเกิดก็คือการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวเท่านั้นหรือเวลานั่งแล้วไปเจอความเจ็บปวดแล้วอยากจะผ่านความเจ็บปวดของร่างกายคืออยากจะปล่อยวางความเจ็บปวดนี้เราก็ต้องบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเหมือนกันแต่อย่าไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปอย่าไปอยากเพราะอยากความอย่างนี้จะไม่ทําให้มันหายแต่กลับจะทําให้มัน รุนแรงมากขึ้นไปให้เราอยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวมันจะอยู่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายเจ็บก็ปล่อยมันหายเจ็บไปแต่อย่าไปคาดอย่าไปหวังอย่าไปคิดให้คิดอยู่แต่คําว่าพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะผ่านไปได้ น, <c oughs> นี่คือการปฏิบัติต้องอยู่ในปัจจุบันต้องอยู่กับเหตุ อย่าไปอยู่กับผลอย่าไปอยู่กับอนาคตผลนี้เป็นอนาคตที่จะตามมาแต่เหตุนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาเหตุนี้เกิดอยู่ในปัจจุบันเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหารเราไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่จะอิ่มเมื่อไหร่จะอิ่มกินก็ไปเถิะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเวลามันอิ่มเองใช่ไหะ เวลาเรากินเราเคยถามว่าเมื่อไหร่จะอิ่มสักทีเมื่อไหร่จะอิ่มสักทีถ้าถามอย่างนี้ก็ไม่ได้กินถ้าไม่ได้กินมันจะไปอิ่มได้อย่างไรเวลากินก็กินมันอย่างเดียวอย่าไปคิดว่ามันจะอิ่มไม่อิ่มกินก็ไปเถิดเดี๋ยวพอมันแน่นท้องมันก็อิ่มเองต้องกินต้องทําเวลาภาวนาก็ต้องภาวนาอย่าไปคาดอย่าไปคันเยียย่าไปหวังอย่าไปวาดรูปว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ เมื่อไหร่จะเป็นสักทีนั่งมาต้องนานแล้วไม่เห็นเป็นเลยเอ้พระพุทธเจ้าสอนถูกหรือเปล่านี่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของเราเราไม่มีสติอยู่กับงานที่เราต้องทําท่านเองคือเราไม่อยู่กับบริกรรมพุทโธพุทโธไปตลอดพุทโธได้สองคำก็คิดไปแล้วเมื่อไร่จะสงบเมื่อไหร่จะหายเจ็บเมื่อไหรจะรวยเมื่อไหรแฟนจะกลับมาถ้าแฟนหายไป อย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่ได้ผลถ้าอยากจะได้ผลแล้วต้องมีสติอยู่กับงานที่เราต้องทําอยู่ถ้าต้องบริการพุทโทรก็บริการพุทโทรไปถ้าต้องสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปถ้าต้องฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไปอย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นในงานผลที่เราจะได้จากการกระทานั้นจะไม่เกิดแล้วเราก็จะ มีความท้อแท้เสื่อมศรัทธาหมดกำลังใจได้แต่ถ้าเราทาถูกวิธีแล้วไม่นานเราจะเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วเราก็จะเกิดกำลังจิตกาลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องให้รู้จักว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นเราฟังมาแล้วเราก็เอามาปฏิบัติ ในขณะปฏิบัติเราอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เขาพูดว่าทําไปแล้วจะได้อะไรอย่างไรขอให้เราอยู่ที่สิ่งที่เขาสอนให้เราทําเขาสอนให้เราพิจารณาการสาสิบสก็พิจารณาไปเขาสอนให้บริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขจะบรรลุได้ด้วยวิธีนี้นี่คือเรื่องของ การได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนแรกเราต้องได้ยินได้ฟังก่อนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลที่เราปรารถนากันเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำความดีเราก็ทำความดีกันขอให้เราตัด ให้เราละบาปเราก็ละบาป ก, กันสอนให้เราปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ให้เห็นว่าเป็นของชั่วคราวสักวันหนึ่งก็ต้องจากลอยไปห ร, หรือเราก็ต้องจากเขาไปจึงอย่าไปโลภอย่าไปอยาก ใ, ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดอย่าไปคิดอย่างนี้แล้วจะเสียใจจะวุ่นวายใจไม่รู้จักจบ จ, บจบจากสิน้น ถ้าปล่อยวางได้แล้วจะสบายใจอะไรจะเกิดก็ไม่เดือดร้อนใครจะมาใครจะไปก็ไม่เดือดร้อนจะได้อะไรมาจะเสียอะไรไปก็จะไม่ไม่วุ่นวายใจนี่คือการดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นปันสุขปราะศะจากความทุกข์อยู่ที่การศึกษาแล้วก็นําเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาปฏิบัติเพื่อ ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปก็คือความสงบความสุขความสบายใจความปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆอยู่ในกรรมมือของท่านแล้วผู้อื่นทำให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจึงขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาใจ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ท่านได้มาตามเพลในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ แค่คาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ